ตอนศรัทธาและมุ่งมั่นนำมาซึ่งพลังวันที่หกรกดาคม 2,558 ห้าร้อยสกราบนำ้ำกกพระประคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกัลยมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆนะทุกวันอาิตเมื่อคืนพวกครูเห็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในศาลานี้ <c oughs> หลังจากาลองลองมาหลายอาทิตย์เด็กๆอนุบาลเราเขาก็ยังไม่นิ่งเพราะคูก็เห็นอารมณ์บางเพราะคูลองทุกอย่างเพราะคูยอมเปลี่ยนแปลงตามเหตุและปัจจัยเพื่อมักผลถ้าเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งยึดมั่นถือมันในทงตัวเองนะเราจะมองไม่เห็นความจริงทีนี้ความใส่ใจทำอะไรก็ช่างใส่ใจเราติดตามผล เราจะเห็นอารมณ์มันนะพ่ะครูก็ทำมาหลายอาทิตย์หลายเสาเด็กก็คือเด็กนะเขาก็ดิ้นของเขาแต่หลังจากเมื่อคืนอาศัยบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าเงียบหมดนิ่งหมดไม่มีแม้แต่หนึ่งคนนอนหลับ <c oughs> ตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงผู้ใหญ่อันนี้เราเห็นชัดเจนนะนะเราก็ ตอนนี้ยุคนี้นี่สมัยนี้การเรียนรู้การศึกษาเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่กับที่นะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนสิ่งเล้าใจในทางโลกมันมากขึ้นขบวนการที่จะ <c oughs> ถ่ายทอดอะไรดีๆให้กับเด็กเนี่ยเราต้องใส่ใจพยายามสอดส่องดูแลติดตามนะไม่ใช่ไปยึดมั่นหรือมั่นกับรูปแบบที่เราเคยชินแล้วก็ เอาธงตัวเองเป็นที่ตั้งตัวนั้นเราจะพลาดโอกาสในการเห็นความจริงเมื่อคืนสำหรับพระครูพระครูเห็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็ซีรีส์นี้พรอครูติดตามมาพอสมควรก่อนที่จะเอาอะไรมานำเสนอพ่อครูดูว่ามันมีผลลบผลบวกอะไรนะเขาสร้างดีมาก <c oughs> ตอนนี้เราสอนพุทธประวัติ ไปนั่งสอนสอนสอนให้เด็กมันจำไปท่องจำอยู่นั้นนะ่ะมันเป็นการไปจำวิชาอย่างหนึ่งเพื่อจะเอามาสอบเฉยเฉยมันไม่ได้อะไรนะแต่พอเกาสร้างเป็นรูปแบบสรารคดีหรือพันผาใบยนต์ออกมา เ, เด็กมันได้เห็นอารมณ์นั้นด้วยนะแล้วเขาก็จัดวางอาทิตย์หนึ่งประมาณ4ี่สิบนาทีพระครูก็ติดตามมานานโอเคแก้วเอามาลองให้พอครูดูเมขขื่อคืน เราก็เห็นคําตอบได้มากได้น้อยเราได้อย่างเ ม, เมื่อกี้นี้พ่อครูก็มาเร็วหน่อยหนึ่งนะเห็นพวกเราทําวัดเย็นสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะอันนี้มันจะเกิดสูตรธรมยปัญญาทําไมมาสวดมาท่องบทเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆสิบปีก็แบบนี้ทําไมเห็นไหมไม่ใช่เราเรียนรู้เออฉันเรียนรู้ปถมอะไรจบแล้วจบแล้วนั่นะเดินวิชาการนะฉันจะก้าวไปข้างหน้านะ แล้วสุดท้ายจบด็อกเตอร์แล้วก็คุยกับไม่รู้เรื่องเพราะเรามากมากอยากได้ความรู้เยอะๆแต่ทาไม่ได้สักอย่างหนึ่งเราสวดมนต์สวดเรื่องเก่าๆเก่าๆเก่าๆเก่าๆล้วถามว่าเราทําได้ไหมไอ้ที่สวดทุกคืนน่ะเราทําได้หรือยังไอ้เก่าๆนั่นแหละไม่กี่ข้อนั่นแหละเห็นไหมเราจะไม่สร้างเรือนอีกต่อไปเราทําลายเรือนแล้วยอดเรือนเราก็ทําลายแล้วนี่แหละสวดสวดสวดสวดสวดสวด ให้มันขึ้นใจประทับจิตติดวิญญาณมันเป็นการเตือนสติเราแล้วเราทำได้หรื อ, อยังแค่นี้ก็พอนะไม่ต้องไปเรียนดูเยอะๆเยๆยอะจนจ บ, จบปริยาสเอกแล้วออกมายังทุกอยู่ยังเถียงกันไม่รู้เรื่องนะอันนั้นไรสาระการไหว้ผ้าสวดมนต์การกราบไหว้เนี่ยเป็นการลดอัตราอย่างหนึ่งนะลดทิฏฐิมานะเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็นั่งสวดอยู่ตรงนั้นทาสมาธิ ต้องออกเสียงด้วยและเราก็ได้ยินด้วยมันเกิดสุตตะมยปัญญาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะอันนี้เป็นพื้นฐานแต่ตอนนี้เราอยากรู้โน่นรู้นี่รู้ไปหนวดรู้ไปทั่วโลกเลยแต่ทําจริงๆทําอะไรไม่เป็นสักอย่างหนึ่งมีแต่ผู้รู้ผู้รู้มากนะก็เมื่อคืนสําหรับพระครูพระครูเจอสิ่งมหาศจรริ์เรื่องนี้มันจัดวางไม่ได้ แสดงไม่ได้เด็กก็คือเด็กเมื่อคืนบา ร, รมีพระเจ้าสยบเขาเลยนั่งนิ่งหมดเลยไม่มีแม้แต่หนึ่งคนนอนหลับเราเปิดเวอร์ชันซีรีส์ญี่ปุ่นอะไรอพ่อครูบรรยายก็ช่างเขาก็วิ่งเล่นตามภาษาเด็กถ้าผู้ใหญ่ใส่ใจแล้วก็พยายามหาอะไรดีๆเนี่ยเราต้องดูว่าทำแล้วเด็กมันได้อะไรไม่ใช่ฉันได้อะไรฉันได้ผลงานอะไรน่ะไม่ใช่ ก็ตอนเช้าพระครูมีโอกาสไปกินข้าวกับเด็กๆมัธยมสิบคนแน่นอนปุ๊กเขาก็ห่วงพว่อครูงานนู้นนี่เยอะเราต้องคำขนาดนี้เราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนี้ขนาดไหนเราทำตามเหตุและปัจจัยเราไปด้วยกันเราไปไหว้พระที่อยู่หลวงวัดหลงปู่เสานั่งเดือข้ามไป พอกูไปเห็นต้นไม้พูดได้ต้นหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องโกโรธนะอาจารย์พอไปยอมเน้นเรื่องนี้โกรธคือโง่ห ม, มูหูคือบ้าแต่ต้นไม้ต้นนั้นเขาเขียนว่าโกรธมีประโยชน์อะไรนะก็ไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยนะเขาก็เขียนหนึ่งสองสามปีหแต่โทษมันมีอะไรนะแต่ทุกคนก็ชอบโกรธพอกูก็เลี้ยงเด็กๆมาที่หน่อยหนึ่ง ตาพ่อคูไม่ดีพราครูมองไม่ค่อยเห็นนเ อ, อหงก็ได้อ่านเสียงดังๆให้พ่อกูฟังหน่อยหนึ่งเขาว่ายังไงเห็นไหมหลังจากเขาอ่านเขาก็ได้ยินกันหมดและอาทิตย์ที่ผ่านมาใครบ้างไม่โกรธโกรธหมดเห็นไหมเรารู้แล้วว่าโกรธคือโง่แล้วเราทําไมโกรธทำให้ตัวเองเป็นคนโง่ทําไมไม่ได้ดังใจก็โกรธทิฏฐิมานะเยอะมากออไอโกรธเนี่ยมันฆ่าคนได้ไง่ายๆนะ ไอ้ศรัทธาที่มีอยู่บางคนบอกว่าไม่ศรัทธาเพราะคูก็ไม่มาที่นี่แต่พอมันโกรธปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวศรัทธามันหายไปไหนหมดถูกตัวโกรธกินไปทันทีเลยโกรธปุ๊บเนี่ยขาดสตินะพวกครูสอนเด็กแบบนี้ไม่ใช่ไปนั่งจำจี้จำใจสอนให้มันเป็นหุ่นยนต์นะนะมันหมดยุคหมดสมัยแล้วนะเด็กทุกวันนี้เนี่ย เขาต้องการเด็กทุกวันนี้ไม่ต้องสอนเยอะ น, นะไม่ใช่ทุกวันนี้หรือเมื่อไหร่ก็ช่างเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ใส่ใจเขาหน่อยให้ความอบอุ่นเขาไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันใกล้ชิดกันตอนนี้เด็กสิบคนทุกคนกล้าถามพ่อครูหมดเราสนิทกันถามว่าผู้ใหญ่ให้เขาได้ไหมปุ๊กบอกว่าพ่อแม่เขารู้หรือเปล่าเนี่ยพรอครูดูแลขนาดนี้ไม่ต้องใครรู้ไม่รู้เนี่ย เรารู้ก็พอเราไม่ไทําเพื่อให้ใครมาสรรเสริญเราการให้ต้องไม่มีเงื่อนไขนะให้มันเหนื่อยได้ยังไงล่ะมันให้มันมีความสุขนะก็พราะครูก็รับติดตามพฤติกรรมเขาหมดเพ่อครูบอกที่ผ่านมาให้มาอยู่ค่ายทำเพราะว่าเด็กมัธยมเที่ยวนี้เนี่ยพ่อครูไม่ได้เราไม่ได้เตรียมเลยเราจะรับเด็กมัธยม ไม่ได้เตรียมจริงๆบอกสร้างเตียงสองชั้นอะไรก็ไซเด็กอนุบาลปถมทีนี้ส่วนหนึ่งเขามาปฏิบัติเด็กเองก็อยากจะมาอยู่ที่นี่พ่อแม่ก็เห็นดีด้วยอะไรก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อมันเขาต้องการแล้วเนี่ยถึงเราจะไม่พร้อมก็ช่างให้อีกมันก็วุ่นวายช่วงหนึ่งนะแน่นอนกำลังปรับอยู่ไวขนาดนี้ดูแลยากกว่าเด็กด้วยเด็กเล็กๆพราะเามีตัวตนของเขาแล้ว โอเคไปอยู่รวมกับน้องๆตอนนั้นก็เครียดแค่สองสามวันนะเพราะคูบอกนะว่าย้ายมาอยู่ตรงห้องนี้วันไหนร้อนก็เปิดแอร์เลยแต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนต้องจัดเด็กมาเข้าค่ายก็ย้ายให้ไปอยู่ที่ ห, หอพักอนุบาลปฐมพอย้ายออกไปปุ๊บแผนกทำความสะอาดเข้าไปเด็กผู้หญิงกำลังจะเป็นสาวนะ พอครูไปกับเขาเมื่อวานนี้ก็ถือโอกาสสนิทกันแล้วก็บอกว่าประเมินช่วงที่เรามาอยู่ค่ายทำเนี่ผู้ชายสองคนนี้สอบผ่านนักเรียนผู้หญิงเนี่ยแปดคนสอบตกหมดโศกกระปร ก, กปนไปหมดเลยห้องน้ําก็ไปเขียนอะไรก็ไม่รู้กลายว่าตอนนี้เด็กผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นมากเรื่องกว่าเด็กผู้ชายแทนที่เราจะเป็นแม่บ้านเป็นประเภทเมียเนี่ยมีความเรียบเรียบเรียบร้อยกว่าคนอื่นอันนี้เราก็สอนเขาบอกเขา บอกกันแบบเขาก็หัวเราะพราครูก็หัวเราะไม่ใช่เครียดค่อยๆเปลี่ยนนะทุกคนก็เปลี่ยนพอสมควรแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาถ้าครอบครัวหนึ่งผู้ใหญ่ดูแลเด็กเนี่ยไม่ต้องสอนนะรักเขามีเวลาให้กับเขาจริงๆแนละ้วสมัยโบราณเนี่ยผู้หญิงเป็นเพศแม่เป็นแม่บ้านเป็นแม่ทัพในครอบครัวอาจารย์พุทธทาสติต่งเรื่องนี้ตลอดนะ ตอนนี้ทั้งพ่อทั้งแม่เราไปหาเงินหมดนะไม่มีเวลาดูแลลูกมันก็มีคอมพิวเตอร์เป็นเพื่อนมีเกมเป็นเพื่อนมีเพื่อนที่เลวๆเป็นเพื่อนนะปล่อยให้มันซึมซับแบบนั้นแล้วทีนี้ค่อยมาปวดหั ว, วค่อยมาแก้ปัญหาถ้าสมัยก่อนไม่มีนะเราอยู่ด้วยกันตลอดเขาก็อบอุ่นเขาก็มีความมั่นใจในตัวเองมีอะไรเขาก็มีที่ปรึกษา แต่ตอนนี้วิถีมันเปลี่ยนไปเห็นไหมเราได้อย่างเราจะเสียอย่างเราได้หาเงินเพิ่มแต่เราเสียความอบอุ่นในครอบครัวเราละเลยความเป็นแม่แม่ทับในครอบครัวเพราะเราวิ่งตามกระแสะวัตถุนิยมเด็กมีปัญหาหมดเห็นไที่นี้เราพร้อมไม่พร้อมก็ช่างเมื่อเราลับปากเขาแล้วเนี่ย นว่าดกงานก็เยอะวิ่งไปวิ่งมาบังเอิญช่วงเมื่อวานนี้นวาดไม่อยู่นะพาอครูเคยเตือนนะเด็กวัยขนาดนี้วัยขนาดนี้เผลอนิดเดียวพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันเสียหายก็เมื่อคืนพ่อครูเอาเด็กเล็กๆเออดูว่าดูเราดูเวอร์ชั่นเราดูประวัติพระพุทธเจ้าเห็นไหมไม่ต้องไม่ได้ตามดูไปเรื่อยแล้วทุกคนจะซึมซับนะได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่เราก็ได้ด้วยนะมาดูสิ่งที่มันดีๆมาสวดมนต์มาได้ยินเสียงที่เราสวดที่มันดีๆจิตเป็นกุศลูมิคุ้มกันเกิดนะคือเราสั่งแต่สิ่งดีๆเนี่ยน้ำหกแท้งเนี่ยนะเป็นน้าฝนเนี่ยนะก่อนจะรับน้ําฝนเราก็ล้างหลังคาก่อนน้าฝนมันล้างชะล้างถึงเสร็จ เ, รกเก็บเราก็เก็บไว้บังเอิญในโซนนี้เนี่ยไม่มีโรงงาน ฝนเนี่ยยังสะอาดนะแล้วก็ส่งไปไปผ่านเครื่องกองพุ๊บก็ส่งไปครัวพระแขก็ทําทอาหารนพวกบริโภคอันนี้เราไม่ได้กินน้ําฝนนะเราบริโภคน้ําฝนนะเราบริโภคน้ํามนในน้ําน่ยมีจุลินทรีย์ในจุลินทรีย์น่ยมีวิญญาณ น, นะเขาทดลองแล้วนะดอกเตอร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยเอาน้ํามาจากทั่วโลกเลย มาจากวอชิงตันดีซีมาแหล่งเดียวกันก็แบ่งเป็นสองส่วนเอาใส่ในขวดนะส่วนหนึ่งเขียนบอกว่าไอ้น้ำชั่วกูเกียรติมึงนะส่วนหนึ่งเนี่ยบอกพูดกับเขาดีๆนะแล้วก็เอาไปแช่แข็งเป็นเก็ดน้ำแข็งขึ้นมาเนี่ยแล้วเอากล้องพิเศษเขาถ่ายลงมาเนี่ยไอ้น้ำที่เราพูดกับเขาดีๆหรือเสียงเสียงฟังเสียงเพลงสวดมนเพลงอะไรดีๆเนี่ยนะมันออกเป็นนคริสโต เหมือนเพชรเลยแต่อัน้ําที่เราด่ามันแล้ฟังเสียงแบบที่มันไม่ดีเนี่ยนะมันเป็นใครว่ามันเป็นเหมือนจุลินทรีย์มันตายแล้วตอนนี้น้ําที่เราบริโภคเราซื้อน้ําขวดน้ําขวดมันสะอาดเฉยเฉนะ่ะแต่ความเป็นประโยชน์ในร่างกายมันไม่มีเพราะว่าจุลินทรีย์มันตายหมดถูกฆ่าเชื้อหมดกินแค่ระคายคอ ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายทุกคนจึงเป็นโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่นะเรากินน้ำมนตัทวด น, นะนนี้มีผลแล้วนะและทีนี้แหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยไม่ใช่อยู่มหาสมุทรไม่ใช่อยู่ทะเลไม่ใช่อยู่ในหกถังนี้นะอยู่บนอากาศนะบนอากาศในออกซิเจนน่นมีน้ำในน้ำมีจุลินทรีย์ แล้วเราหายใจอากาศบ่าบอเข้าไปนี่แล้วร่างกายเรามันเป็นยังไง่ะอากาศที่เขาพูดโทรศัพท์เขาด่ากันเขาเครียดอะไรๆพวกนี้นะมันบันทึกหมดอ่ะแล้วเราก็หายใจเข้าไปนี่แหละมนุษย์เราทำร้ายตัวเองเพราะว่าเราไม่เคยเห็นสิ่งนี้เลยเราเรียนรู้วิชาการต่างๆไปหาแต่เรื่องศาสารเรื่องพลังงานเรื่องอะไรๆเพื่อจะมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง จุดเริ่มต้นคือเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดเราเห็นผิดเป็นชอบแล้วก็ดำรีไม่ชอบดำรีว่าต้องรวยทุกรูปแบบต้องชนะต้องเก่งถึงจะดีแล้วตัวเองก็เครียดไม่พอแล้วทำให้คนอื่นเขาเครียดด้วยนี่คือผลงานมนุษย์ผู้ประเสริฐในยุคนี้ไม่ต้นเหตุก็คือไม่มีเมตตาจริงๆถ้าลูกฉันฉันรักเยอะๆนะถ้าลูกคนอื่นช่างมันนะ นี่ของเราเอาไม่ต้องดูแลดีๆนะของคนอื่นช่างมันแต่ยี่กปีพวกคูกลับกันนะที่ผ่านมาตั้งแต่รุ่นน้องคีนิ่นน้องดอนเนี่ยมาอยู่อย่างไรเนี่ยเด็กพวกนี้เป็นอย่างนั้นหมดไม่มีพิเศษสมัยก่อนพู่ว่างพวกูก็พาไปไปเด็กๆขึ้นรถไปไ ป, ไปกินข้าวกันบางทีอาทิตย์หนึ่งหรือสองถาทิตย์ขอกินข้าวครั้งหนึ่งนะพวกคูติดตามพฤติกรรมเขาแล้วเขามีอะไรเขาก็กล้าปรึกษาเราให้ความอบอุ่น ให้ความรักเพราะเขาเหล่านี้เนี่ยคืออนาคตของชาติคืออนาคตของโลกใบนี้ไม่ใช่ลูกมึงลูกกูคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองให้ให้จริงหรือเปล่าเพราะกูช่วงหลังทึงแรงบอกอย่าอย่าอย่ารักชาติแต่วาจาเนี่ยอย่าพูดคุณทําหรือยังมีแต่พูดเก่งๆนั้นนั้นแหละไม่ทํา นะพ่าครูทำมาตลอด26ปีบังเอิญช่วงหลังนี้มันมีกิจกรรมทำมากขึ้นมันจะมีเวลาเหมือนสมัยก่อนก็ไม่มีแต่ว่าไม่มีก็ช่างไม่มีก็ทำทำเท่าที่มันมนะีถ้าคนเรามันให้ได้แล้วมันไม่มีเงื่อนไขมันไม่อ้างโน่นอ้างนีอนอ่นหรอกนะไอ้ให้แบบมีเงื่อนไขมันไม่ใช่บุญมันเป็นกิริยาในการทำบุญเฉยๆแต่จิตไม่เป็นคูสเลยนะก็เริ่มต้นจากว่า เมื่อคืนนี้พ่อคูเห็นสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในศาลานี้มหัศจรรย์ที่สุดถ้าเราทําอะไรที่เด็กเขาชอบเขาชอใจแล้วก็เขาได้ประโยชน์ด้วยนั่นแหะสำหรับพ่อคูคือสิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่เราทําแล้วได้อะไรเราดีใจยังไงเนี่ยอันนั้นไม่ใช่มหัศจรรย์นะอันนั้นเป็นกิเลสมันจะกลับกันนะว่าคนอยู่ในศูนเนี่ยอย่าขี้เกียจนะมีโอกาส ครูบาอาจารย์ท่านพามาทำวัดเย็นทุกวันไหว้พระสวดมนต์เนี่ยโอ้ยฉันปฏิบัติชั้นสูงแล้วฉันไม่เอาอะไรอะไรนั้นคิดผิดนะฮะมันไม่มีสูงไม่มีต่ำหรอกอันนี้ต้องทำเป็นปกติมาสวดทุกวันได้ยินทุกวันเนี่ยเหมือนเราสะสมสะสมสะสมเป็นตัวเตือนสติประทับจิตติดวิญญาณ น, น้ำในร่างกายเราเนี่ยมีตั้ง70็ดสิเอร์เต์แปดิอร์ซตนะนะเยอะมาก น้ำตัวนี้มันได้ได้รับในสิ่งดีๆเนี่ยนะมันเปรียบกับเรื่องภูมิคุ้มกันเราด้วยตอนนี้ในศูนย์มีน้ํากินน้ําใช้น้ํากินแน่นอนส่วนใหญ่เราใช้น้ําจากน้ําฝนแต่มันเริ่มจะไม่พอแล้วล่ะนะที่นี้งานพระครูก็เยอะมากเดี๋ยวแว็บก็ต้องมาสร้างแทงน้ําอะไรเพิ่มพูดมาทั้งนั้นไม่ลงมือเพราะงานมันฉับพลันเกิดขึ้นเนี่ยยังจะเข้าพรรษาแล้วสิ้นเดือนนี้จะเข้าพรรษาแล้ว ไม่ชีคนนั้นคนนี้ก็จะมาอยู่ที่นี่จะมาบวชที่นี่แล้วเนี่ยถ้าไม่รับก็คือไม่รับถ้าเปิดโอกาสให้เข้ามาอยู่แล้วเนี่ยต้องดูว่าเราพอที่จะทำอะไรลองรับได้ไหมสร้างไม่ต้องไปลองงบเพราะบอกแล้วคนทุกวันนี้ทางงบไม่มีเนี่ยเป็นง่อยหมดทางงบมีก็งาากันนี่คือวิสัยของคนทุกวันนี้เนื่องจากให้ไม่ได้อ้างโ น, น่นอ้างนี้ ไม่ต้องรอ ง, งบอะทำก็ทำเลยเดี๋ยวมันก็เสร็จเห็นหมมันเป็นงานตามเหตุปัจจัยขึ้นมาด่วนมากแล้วก็ทำไปตามเหตุปัจจัยเพราะครูไม่เคยวางแผนนะมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราคิดว่าเป็นประโยชน์เกิดมากผลเราทำทำได้ก็ทำจะเปิดโอกาสจะปล่อยโอกาสให้มันเลื่อนลอยไปทำใหม่เราแก่ตายไปทุกวันนะมีโอกาสมาเจอแล้วเนี่ย อย่าก้าวกลัวๆนะโดยเฉพาะจิตวิญญาณเาหลอกจิตตัวเองไม่ได้หรอกเผื่อขาดเผื่อเหลือแล้วมันไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวมาในใจเรามันก็จะหลอกเองแบบเนี่ยดูดูซีรีส์พระพุทธเจ้านี่ดีมากดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเราจะอายพระองค์มากเราจะอายพระพุทธเจ้าตั้งแต่ เมื่อคืนนี้พ่อครูเกิดให้หลอยหนึ่งนะมารมันไม่ชอบนะผู้มีบุญจะมาเกิดเนี่ยมันพยายามจะขวางตั้งแต่จะจําลงมาเลยละ่ละหลังจากไปอยู่ในท้องแล้วมันก็หาเรื่องขวางเนี่ยแหละนะแต่ถ้าเรามีบุญสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะแค้วคาบเนี่ยตั้งแต่ไม่ใช่ว่าตั้งแต่เกิดเจอมารเนี่ยตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยมารมันก็ขวางอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็เอาเอ า, เอาจิตซึ่งเขาตั้งมั่นมาเนี่ยบำเพ็ญเพียรมาเป็นแสนแสนกลับเนี่ยใครก็เอาไม่อยู่ ค่อยๆดูนะเพราะคูดูก่อนว่าเออซีรีส์นี้มันแน่นอนเขาทําเป็นภาพยนตร์นะเขาก็ต้องบวกนั้นไปเบื้องให้มันลื่นเล ง, งอะไรบ้างเพียแต่ว่าเออมันไม่เสียองค์รวมใหญ่ไม่เสียหลักการโอเคเพราะคูบอกแก้วเอามาลองเปิดดูนะผู้ใหญ่เราได้ประโยชน์แน่นอนเพราะคูไม่แน่ใจว่าไอเด็กตัวเล็กๆอนุบาล น, น่ะมันจะเป็นยังไงบารมีพระองค์สยบมันได้เลย นั่งตรงพึ้งตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่มีออกมาดิ้นเลยไม่มีนอนสักคนหนึ่งเนี่ยสิ่งมหัศจรรย์นี่คือบุญบา ร, รมีไงมีประโยชน์มากแล้วก็เราคงตามซีรีส์นี้ไปทุกๆุกเสานะทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยก็มีไปลาพา่อครูจะกลับเป็นครูบาอาจารย์มาจากขนกันผู้ชายสองคนแกก็บอกแกติดตามยูทูปพ่อครูแล้วก็ดูพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย เคยดูแล้วแต่เมื่อคืนมาดูอีกแกบอกว่าความเข้าใจมันต่างกันไปเลยนะเราสวดมนต์เหมือนกันทุกวันเนี่ยจริงๆเราต้องมาสวดวัดเช้าด้วยเราพกว่ามันมันจะหนักเกินไปไม่ต้องเอาเฉพาะวัดเย็นเนี่แหละแค่วัดเย็นเสมอต้นเสมอปลายเราสวดทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันได้ยินทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนั้นในร่างกายก็ซึมซับเรื่องเป็นกุศลทุกวันทุกวันภูมิคุ้มกันมันก็เกิดนะใครทําคนนั้นก็ได้ ไม่ใช่ว่ามาทำแค่ถูกบังคับมาเป็นพิธีรีอตองเฉยเฉยอันนั้นจะเสียเวลาไม่มีประโยชน์ถ้าทำแล้วต้องตั้งมั่นมีศรัทธากับสิ่งที่เราทำเราได้เต็มๆโครคภัยไข้เจ็บก็จะหายอันนี้ก้าวกลัวๆไม่กล้าทุ่มเทแล้วเนี่ยแล้วก็ไปพึ่งยาพึ่งยาหาเงินมาซื้อยายื้อยานั่นนะอันนั้นมันได้ครึ่งๆกลางๆจิตมันไม่บริสุทธิ์เพราะมันไม่พึ่งตนเองนะพลังภุงคุ้มกันเรามันก็ไม่เต็ม้อย เราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้แต่ถ้าเราทุ่มเทนะให้สภาวะของจิตเนี่ยมุ่งมั่นเป็นกุศลเต็มที่เนี่ยพูงคุ้มกันมันเกิดมันจะไม่ปล่อยให้เราตายง่ายๆมันต้องการให้จิตที่มุ่งมั่นเนี่ยดำเนินมักต่อไปนะอันนี้พอกูบอกนะอย่าละล่าลาหลังก่อนจะศรัทธาเนี่ยต้องใช้ ปัญญาที่มีอยู่พิจารณาเมื่อศรัทธาแล้วอย่าลังเลบางคนถามว่าครูจะลงทุนแค่ไหนกี่แสนล้านก็ไม่ได้ไปถามเรื่องลงทุนคุณต้องถวายชีวิตไอ้ทากะกากลัวๆกั ก, ก, ว ก, ว ก, กไว้แล้วเนี่ยเราหลอกจิตเราไม่ได้ไม่มีทางนะมีโอกาสแล้วไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตั้งมั่นไม่ศรัทธา ศรัทธายุแต่ศรัทธาห0เซเผื่อขาดเผื่อเหลืออยู่เนี่ยจิตมันรู้เือห้าสิเธอก็ได้ห้าสดุก็ดุ้มๆนอนอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายมันจะมีข้ออ้างนน อ, อ้างนี่นะถ้าศรัทธาแล้วอย่าลังเลนะลงทุนแค่ไหนคนอีสานเขาว่ายังไงครูบาอาจารย์อีสานถูกถามว่านิพพานอยู่ตรงไหนหลวงปู่หลวงตาบอกมันอยู่กับฟากตาย มันเลยความตายเป็นนิดหนึ่งมันอยู่ในฟากตายอันนี้แค่เจ็บหน่อยหนึ่งอะไรจะตายหนองจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะตายก่อนตายนั้นเนี่ยไม่จะตายก่อนตายแบบบรรลุธรรมนะมันยังไม่ตายเลยกลัวตายจนกุลหนีไปพึ่งโน่นพึ่งนี่แล้วเมื่อเนี่ยคือคนเราไม่ตั้งมั่นเพราะเรากลัวตายนั่นแหละแล้วกลัวตายจะไปข้ามไปสู่นิพพานมันอยู่ฟากตาย มันต้องข้ามแม่น้ำที่วันมันตายไปก่อนเนี่ยอันนี้ไม่กลัวกลัวก็ว ก, ลวกลัวแล้วมันจะไปได้ยังไงทำเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวจะเสียเวลาชีวิตเลยเฉยเฉนะทุกวินาทีเรามีประโยชน์ทุกวินาทีเรามีคุณค่าก็ไม่รู้คนอื่นก็ยังไงก็ช่างนะสำหรับพ่อครูแล้วเนี่ยทุกวินาทีนี่พ่อครูมีความสุขกับการทำหน้าที่ แต่หน้าที่พวกคุณไม่เคยวางแผนอย่างนั้นพอวันนี้มันเจออะไรมันก็ทําเจออะไรมันก็ทกํากล้ากลัวกลัวทําแล้วกูเสียเปียบกลัวโน่นกลัวนี่เนี่ยเราเสียเสียชีวิตอยู่แล้วถ้าเราเป็นอย่างนั้นเรามาอยู่ที่นี่เราเสียโอกาสชีวิตเราอย่ามาอยู่ที่นี่ไปที่อื่นไปไปสู่ที่ชอบที่ชอบถ้าที่นี่ชอบครึ่งหนึ่งไม่ชอบครึ่งหนึ่งน่ะเราจะเสียเวลาชีวิต เดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวก็ถอยเดี๋ยวก็เอาก็ถอยเนี่ยเนี่ยไปสู่ที่ชอบที่ชอบเพราะที่นี่มันไม่ชอบไงอย่าเสียเวลาชีวิตนะเราจะเสียเวลาชีวิตเราทุกนาทีเนี่ยทุกวินาทีมันเป็นประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์แต่ทุกนาทีนั้นเราก็กล้ัวๆเนี่ยมันกลายเป็นโทษด้วยเราจะเสียเวลาชีวิตต้องมาเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อวานพ่อกูทําอะไรบ้างนะก็เล่งเล่งเล่งบังเอิญญาติทำกลุ่มหนึ่งก็ มาจากชนบุรีนั่งรถมาทั้งคืนตื่นเช้าก็เพื่อจะมาเอาเนี่ยบทส่วนมนต์ใหม่มาให้เราก็มาทําบุญกับพระครูเขาก็รอเจอพระครูก่อนตอนเย็นก็ตีรถกลับไปทั้งครอบครัวทั้งผู้เฒ่าผู้แก่มาด้วยแก้วก็โทรไปบอกพระครูก็พาเด็กเมื่อวานมีกี่โปรแกรมใช่ไธรรมดาพระครูเออไปก็มุ่งไปทางของเจียมว่าจะไปไปกราบหลวงพ่อครังพล น, นึงก่อนพอถึงเวลานั้นมันเปลี่ยนไปหลวงปูเ่เสาพอหลวงปูเงป่เสาเสร็จ เราก็ไปกินข้าวกันอยู่แม่น้ำมูลนะอยู่ริมน้ำอยู่แก่งสะพือแต่ตอนนี้แก่งสะพือมันไม่สะพือแล้วนะก็อจะถึงแก่งสะพือเราก็ไปจอดให้เขาเด็กด้วยเขื่อนปากมูลให้เขาไปดูเขื่อนมันกันน้ำไม่หมดโอเคกันน้ำเพราะคุณไม่ได้พูดแล้วก็พาไปถึงแก่งสะพือ น้ำมันไม่สเปรยแล้วมันถูกกัน้นไอ้คาว่าแก่งสเปรยนี่ในหลวงเคยมานะคนพิบูรณ์อยู่ได้เพราะแก่งสเปรย์นะแต่อตอนนี้มันไม่สเปรยแล้วเพราะไอ้นักวิทยาศาสตร์ไอ้เทคโนโลยีมันจะสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเปลี่ยนระบบนิเวศหมดมันเป็นแก่งไม่สเปรยก็ชี้ให้เด็กมันดูเนี่ยความจเจริญทางด้านวัตถุแล้วมันทําลายสิ่งแวดล้อมระบบชีวิตเขาเสียหมด ตามันก็ขึ้นมาไม่ได้มันก็แก้งทำไอ้บันไดเขาเรียกว่าบันไดปลาโจรเนาะปลามันโจรขึ้นพราะครูเคไปส่องดูเนี่ยนะไอ้โจรได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ตอนนี้มันกั้นปุ๊บน้ํามันแห้งหมดเลยมันจะโจรได้ยังไงแล้วก็เอาเอาลวดที่เป็นลวดหนาเนี่ยไปบังไว้หมดไม่ให้เขาไปดูนี่คือความคิดแบบทุนนิยมมันทําลายวิถีชีวิตเขาหมด นึกคิดว่าโอ้คุณสร้างเขื่อนแล้วก็เอาเงินไปจ้างเขาพวกที่เขามีจับปลาเห็นไหมเขื่อนปากมูนไอ้พวกเดินขบวนเนี่ยเขายังไม่หยุดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่หยุดก็ไม่ได้เขาถูกบังคับให้หยุดเราคิดว่าวิถีชีวิตเขาซื้อเขาด้วยเงินเขาได้เงินก้อนหนึ่งเขาไปที่ไหนเนี่ยชีวิตเขาตั้งแต่เกิดหลายชั่วยุคคนเขาอยู่กับน้ําเขาเป็นชาวประมงคุณไปเปลี่ยนชีวิตเขาเพียงแค่คือจะได้ผลประโยชน์ในเรื่องปิดกระแสไฟฟ้า เมื่อคืนเมื่อวานนี้เด็กมันก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้ทีนี้หลายอาทิตย์ก่อนหลังจากมาใหม่ๆปุ๊บพ่อครูก็กินข้าวเที่ยงกับเขาอยู่ที่เขื่อนซินลินทรเราไปกินปลาเขื่อนนะที่นี่มีสามปลานะเออแล้วก็เมื่อวานนี้เราไปกินปลาแม่น้ำมูลนะแล้วต่อไปมีโอกาสพ่อครูก็ไม่รู้วเมื่ อ, อไหร่มีโอกาสปุ๊บเดี๋ยวสกิดสกิดแค่ก่อน นั่นแค่ชั่วโมงหนึ่งเด็กมันก็เตรียมตัวแล้วแล้วจะไปกินเมเปาไม่น้ำขงนี่คือการศึกษาไม่ใช่ไปเรียนวิชาบ้าๆบอๆในห้องเรียนแบบนั้น่ะไปท่องจำแล้วก็ไปสอบไ ม, ไม่ต้องไปสนใจว่าพ่อแม่เขาจะคิดยังไงเราอยู่ที่นี่เราดูว่าเราจะทำอะไรได้เราก็ทำไม่ต้องไปรายงานเขาด้วย พเพราะครูท่บอกว่าเด็กมันไม่มีปัญหาหรอกในหลวงพูดเองว่านักเรียนทุกคนไม่มีไม่แต่หนึ่งคนสอนไม่ได้อยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ครูเนี่ยใส่ใจแค่ไหนเท่านั้นเองไม่ใส่ใจทำแบบปัจฉะทำเพื่อเอาหน้าเอาตานะตอนนี้คนทุกวันนี้เป็นแบบนี้แล้วต่อไปสังคมนี่จะอยู่ยา ก, นะพกเพราะครูไม่กล้าคาดหวังอะไรมีแต่ว่า มีวันหนึ่งมีเวลาวันหนึ่งมีเวลานาทีหนึ่งเราก็ทําในสิ่งที่มันควรทำนะทีนี้โอเคโปรแกรมแรกไปกราบไหว้ดึงเข้าไปเรื่องจิตวิญญาณไปเดินในเกาะหลงปู่เสามีต้นไม้ใหญ่ๆพู้ครูก็อธิบายไปเรื่อยถามเรื่อยนะให้เขาไปคิดเองแล้วก็เด็กๆ ก, ก็มีโอกาสได้ เ, เขามี ทำบุญถุงละสิบบาทเลี้ยงป่าทีนน่นวลนะธรรมาที่นี่เราก็มีนะเพียงแต่ว่าเราเร า, เราต้องจัดให้มันเป็นสัดส่วนแล้วก็พ่อครูไม่จำเป็นไม่อยากให้ไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของไม่ชีต่างๆนานาะแต่ถ้าว่าเรามีจัดช่องอะไรที่ว่าญาติธรรมมาโอเคคือการไปเลี้ยงปา่าเลี้ยงไหลที่นี้ไอเด็กสิบคนนั้นมันมีคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายที่คนชนบทเนี่ย เขาก็มองเขาเห็นปลาเขาโอ้โหเขาดีใจมากเขาบอกเป็นบ้านเขาเนี่ยเขาเอาเป็ดมาตกแล้วมาตกปลามันมองแต่เรื่องมันจะกินอะในขณะที่คนนี้เขาจะเลี้ยงมันมีปลาตัวใหญ่ๆทั้งปลาตัวเล็กปลาเสือปลาอะไรสวยมากเพราะคนมันคยุ้นเคยที่เราไปเลี้ยงบ่อยๆมันขึ้นมานะแต่ธรรมชาติเขาเคมองในแง่ว่าเออน่าจะเอาเบ็ดมาตกมันเราก็สอนเงินอยู่ตรงนั้นแหละนะ พอเลี้ยงปลาเสร็จโอเคที่นี้เราก็ไปแก่งสะพือทำให้เด็กไปเห็นเรื่องน่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะแก่งไม่สะพือแล้วนะเพราะความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมันจะผลิตกระแสไฟฟ้ามันก็มากั้นแม่น้ำกั้นทำลายชีวิตคนแถวนี้ลิมแม่น้ำทั้งหมด ให้เขาไปเป็นกรรมกรไปทำในสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยนี่คือมนุษย์ทุนนิยมทีนี้พอเสร็จแล้วนะวิชาสุดท้ายพ่อครูพาเข้าบิกซีเด็กนุกพ่อครูพูดเล่นดิ้งเปล่าเคยผินพ่อครูพูดเล่นไหมแต่มีเงื่อนไขนะพ่อครกูก็แจกเงินคนละสองร้ออันนี้ต้องรายงานพ่อครูวิชาใช้เงินเป็น เด็กเขามีความสุขใชแต่เขากำลังเดินอยู่ครึ่งหนึ่งแก้วโทรไปบอกว่าญยากที่ทำที่นี่รออยู่เพราะกูบอกโอเคไม่เด็กเขาให้ความร่วมมือดีมากนะที่แล้วให้ชั่วโมงหนึ่งโอเคครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็กลับมาพอกลับมาเขาก็ทานข้าอะไรอะไรเสร็จมาทําวัดเย็นแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งบิ้งไปกราบพรอครู ขอบคุณพะครูวันนี้ที่ให้โอกาสเขามันปลูกสำนึกโดยไม่ต้องไปสอน <c oughs> เราทำอย่างไรเนี่ยตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนสอนสั่งโน่นสั่งโน่นสั่งโน่นสั่งนี่มันก็เขา้าหูซ้ายออกหูขวาในขณะที่พฤติกรรมผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ให้จริงๆ <c oughs> เด็กเขาก็มีจิตมันหลอกกันไม่ได้เขาจะสัมผั ส, ว, ส, ว, สว่าจิตดวงไหนเนี่ยรักเขาจริงๆ เมื่อเขารู้ว่าเรารักเขาเนี่ยพอเขาจะทําอะไรผิดเนี่ยพอเราเตือนเขาเราขอเขาเนี่ยเขาจะให้เราแต่ผู้ใหญ่ทุกวันนี้ไม่พยายามเข้าใจเด็กมีแต่จะให้เด็กเข้าใจเราเราไม่เคยเข้าใจคนอื่นเลยแต่เราเค้เาว่เาเราคิดว่าเราคิดตัวเองว่าเราเข้าใจเขาเราไม่เคยเข้าใจเขาเลยเรามีแต่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเหมือนคนตาบอดก็ มีปราฏิเขาบอกเมื่อกี้บอกเหมือนคนตาบอดพ่อครูก็แวบไปนะถ้าวิทยาศาสตร์นี่ขาดศาสนาเนี่ยเหมือนคนแขนขาดถ้าศาสนานี่ขาดวิทยาศาสตร์เนี่ยเหมือนคนตาบอดพ่อกรูก็เห็นด้วยเพราะตอนนี้ความรู้มนดุดย์เราเนี่ยเราเรียนรู้แบบแยกส่วนแยกวิชาวิชา ทุกคนก็มุ่งมั่นทำหน้าที่วิชาที่ตัวเองเรียนจำแยกจำแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยกก็ยิ่งสับสนแยกไปแยกมาฉันเป็นตำรวจเธอเป็นทหารฉันเป็นข้าราชการฉันเป็นนักการเมืองฉันเป็นนักกฎหมายฉันเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นไปสร้างอัตราขึ้นมา จำแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลเพื่อจะหวังผลส่วนตัวสร้างอัตตาขึ้นมามันถึงทุกข์ไงมันถึงทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะในแง่ความเป็นคนล้วมันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ใช่วิชาใดวิชาหนึ่งมันเป็นเรื่ององค์รวมชีวิตเราแล้วไม่ใช่เรื่องกายอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องจิตอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องอารมณ์อย่างเดียว ในแง่ชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่เงินอย่างเดียวมันต้องมีความสุขความอบอุ่นความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกมั่นคงทีนี้มันจะรู้สึกมีความสุขไม่ได้ถ้าร่างกายมันไม่แข็งแรงจิตใจมันก็ไม่ดีมันไม่ใช่วิชาใดวิชาหนึ่งแต่ตอนนี้การศึกษาเราเนี่ยไปแยกเป็นวิชาวิชาเพราะว่าเขาจะให้เราเก่งเรื่องเดียวเพียงแค่เป็นเครื่องมือในการสร้างทุนให้พวกทุนนิยมมัน มันเป็นเจตนาเขาทำแบบนั้นเธอเรียนจบมาเป็นแค่ยางล้อมาเปลี่ยนยางใส่เนี่ยเป็นยอไอตัวนี้มาเป็นพวงมาลัยเอาคนนี้เป็นเบรกเป็นคาบนะพอล้อมันสึกปุ๊บเนี่ยกูก็เหวี่ยงมึงทิ้งกูเอาล้อใหม่เข้ามาชีวิตเรามีค่าแค่นั้นอันนี้เป็นนอ็อตเป็นสกูสกูมันหวานปุ๊บกูก็เหวี่ยงทิ้งกูก็เอาสกูใหม่มาชีวิตเราเป็นแค่นั้นนี่คือความคิดแบบแยกส่วน แต่ถ้าในทางธรรมะในทางความจริงนเนี่อันนี้คำนี้เกิดขึ้นกับพระครูมเมื่อ26ปีก่อนหลังจากมันระเบิดปุ๊บเกิดมานับถือศาสนาพุทธแต่ไม่รู้เลยว่าพระ อ, องค์สอนอะไรไอ้จิตเดิมมันก็ตั้งโจทย์เลยไอ้เรื่องใหญ่ๆเลยนะมักมีองแปดไม่เคยได้ยินเลยนะมันก็บอกว่าท ร, รมักให้เป็นหนึ่ง มันจะไปทำได้ยังไงมันเป็นแปดมันก็วาดรูปเค้กก้อนหนึ่งให้พวกครูเลยแบ่งเป็นแปดชิ้นจำแนกแจกจ่ายตามเหตุเพื่อมรักผลยิ่งแจกก็ยิ่งเบายิ่งจ่ายก็ยิ่งว่างความว่างเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวกับจักรวาล น, นั่นลหละทำมรักให้เป็นหนึ่งแต่ต้องใช้พลังแดอย่างเนี่ยนะ มารวมกันแล้วก็ขัดเก่ามันทีนี้วิธีขัดเก่าก็คือเบี่ยงที่แจกเขาเลยเอาเค้กแปชิ้นแจกแจกแจกไปหมดจำแนกแจกจ่ายตามเหตุเพื่อมรักผลยิ่งแจกก็ยิ่งเบายิ่งจ่ายก็ยิ่งว่างความว่างเป็นหนึ่งกับจักรวาลความว่างนี่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลไม่ใช่ในโลกนี้นะหลายๆจักรวาลเนี่ยพระอาทิตย์ดวงจันทร์ทุกๆดวงดาวเนี่ย ลอยทุบ ป, ป่องทุบ ป, ป่องอยู่บนความว่างนั่นแหละเป็นหนึ่งเดียวเรามาจากที่ไหนก็ช่างเราก็มาจากที่เดียวกันนั่นแหละเราเป็นหนึ่งเดียวนะมันกลับกันกับทางโลกสอนไม่แต่ว่าไปแย่งชิงกูจะเก่งกว่ามึงกูจะกูะจะเอาชนะมึงอะไรเนี่ยนะมันก็ทุกข์สมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์การศึกษาทุกวันนี้ถึงเป็นการวิชาสร้างทุกข์ เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พวกคณะสาธารณสุขขนแก่นจะมาเข้าค่ายกูบาร์จานยี่สิบกว่าตันพราะครูจําวันที่ไม่ได้นะได้ยินเขาเข้าๆอย่างนี้พราะครูพูดเรื่องนี้บ่อยๆไม่ใช่พูดใส่ใครจริงๆแล้วเนี่ยสาธารณสุขเนี่ยสําคัญมากๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่ในกรในขอไม่ใช่เรื่องบุคคลนะเรื่องหน้าที่ไม่ใช่เมืองไทยทั้งโลก มันกลายเป็นสาธารณาทุกขทุกท่วนหน้าเพราะว่าเขาไม่ให้คุณค่าของสาธารณาสุขถ้าสาธสุขทํางานได้ผลนะมันไม่มีคนไข้หมอตกงานเภสัช ต, ตกงานพ่อค้าค้ายาเนี่ยมันต ก, กตกงานเขาไม่ต้องการวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรควิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาด สาจิตสะอาดร่างกายสะาสิ่งแวดลอ้อมแต่ตอนนี้สิ่งแวดล้อมก็เปื้อนร่างกายเราเปื้อนไหมเปื้อนไม่มีอะไรก็ไปคิดคิดคิดให้มันเครียดพอเครียดปุบภูมิคุ้มกันก็ตกต่ําแล้วก็บวกกับสิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษอาหารเป็นพิษอากาศเป็นพิษเสพเข้าไปภูมิคุ้มกันตกต่ํามันก็ขับออกมาไม่ได้นั่นแหละคือมะเร็งนั่นแหละคือโรคภูมิแพ้เพราะร่างกายเราก็เปื้อนนะ กินเหล้าเข้าไปสูบบุหรี่เข้าไปกลัวมันตายช้าแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดจนนอนไม่หลับคิดจนเครียดอารมณ์ก็เพื่อนมันเพื่อนหมดเลยสามอย่างตอนนี้แล้วชีวิตเรามันจะยังไงล่ะแล้วก็รักษาสิเพราะครูไม่รู้ว่าเขามีเจตนาอย่างนี้หรือเปล่าเขาคงไม่กล้าคิดขนาดนั้นว่าเขาจะทําลายมนุษย์แต่เขาคิดแต่ว่าเขาจะได้อะไรเขาคิดว่าเขาจะได้อะไรเขาจะผลิดยา ใือว่ามันเขาผิดยาเก่งมากแล้วปวดหัวกินปุ๊บมันหายตลอดชีวิตเลยเนี่ยมันเอาไหมถามว่ามันเอาไหมมันไม่เอาหรอกมันจะขายใครหรอนี่คือทุนนิยมไงเหมือนเขาสร้างเขื่อนเนี่ยเพราะคูสอนเด็กๆเนี่ยเขาคิดแต่ว่าเขาจะได้อะไรเขาจะได้กักน้ำไม่ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วมันจะรวยขึ้นไงมันไม่คิดหรอกว่าไอ้ชาวบ้านแถวนี้มันจะเดือดร้อนยังไง คิดว่ามีเอาเงินไปฟาดหัวเขาแล้วก็เธอไปห้าหมื่นแสนหนึ่งเปลี่ยนชีวิตเขาเลยเนียมันเป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาเกิดที่นี่เขาอาศัยจับปลาหากินตอนนี้ระบบนิเวศเสียหมดนะพวกครูมีโอกาสก็พาเด็กๆ เ, เขาไปอย่างนี้น ะ, นะไปเรียนรู้ของจริงไปเรียนรู้ของจริงการศึกษาไม่ใช่แค่ไปอ่านในวิชาบา้บาๆบอ ไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือหนังสือที่คนอื่นเขาเขียนเป็นความรู้คนอื่นทั้งหมดแล้วก็ไปท่องจําหนังสือเก่งที่สุดแล้วก็เท่ากับเจ้าของหนังสือเราไม่ได้พัฒนาอะไรใหม่ขึ้นมาเลยมันไม่ใช่ความรู้ของเราเนาะความรู้ของเรามันจะเกิดจากประสบการณ์จริงๆของเรามันจะกลายเป็นปัญญาเนะนี่ยแหละเราไปแยกวิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่กระทั่งศาสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะ ตอนนี้ไปแข่งศาสนากันนะของฉันถูกของเธอผิดฉันพุทธแท้เธญพุทธเทียมวิธีฉันดีกว่าวิธีเธอเนี่ยมันคิดแบบหลงงมไงมันมันขาดวิทยาศาสตร์เหมือนกันมันไม่ใช่วิชาใดวิชาหนึ่งมันต้องบูรณาการทั้งหมดแต่ถ้าจิตไม่ดูดพ้นมันก็ติดบ่วงความคิดเก่าๆเพราะตั้งแต่เด็กจนโตเราถูกสอนมาเป็นอย่างนี้ไงพกูสัมผัสเด็กพราะกรู้นะ เด็กตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นคนจีนบอกสี่ปังเท้าเท้านี่คือหัวนะคนจีนเนี่ยสีปังก็คือสี่เหลี่ยมเหมือนไอ้สี่เหลี่ยมลูกเต๋ามันยังเป็นหกเหลี่ยมนะมันยังมีมุมมันนะมันยังกิ่งได้เนาะไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยซ้ายหันขวาหันตรงไปพอมันตรงไปมันไปเจอต้นไม้มันก็ซื้อบืิอยู่นั่นดันอยู่ตรงนั้นแหละนี่เขาเรียกว่าหัวสี่เหลี่ยม เพราะมันถูกสอนให้เป็นอย่างนั้นมันพลิกแพงไม่เป็นสมัยพ่อกูเด็กๆพ่อคูยังจําได้มันมีบริษัทหนึ่งที่เมืองไทยในตอนนี้ยังอยู่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาโลกโก้เขาเป็นอย่างนี้ข้างนอกกลมข้างในสีเนส่เหลี่ยมในสี่เหลี่ยมมันก็มีขีดขวางแล้วก็ขีดตั้งพ่อคูเรียน ระดับมอต้นนั่นแหละเพราะครูไปถามเขาว่ามันหมายผมว่าอย่างไรข้างนอกกลมคืออะไรข้างนอกกลมเนี่ยถ้าล้อรถมันเป็นสี่เหลี่ยมมันวิ่งสะดวกไหมมันตัตกัตกตกัตกตกัตกไปเฉิอนต้นไม้ก็ดันอยู่ด้านนั้นแหละข้างนอกกลมเนี่ยนะคือเราเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนะรู้ เท่าทันความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ซื้อบื้อข้างในสี่เหลี่ยมนะต้องซื่อตรงไอ้เส้นขวางนี่ก็คือเป็นกติกาโพลิซีไอ้เส้นตรงเป็นนโยบายข้างในต้องเพะแต่ข้างนอกต้องรู้จักแบบว่าตามเหตุปัจจัยมีไหวพิบปฏิพานแต่ทุกวันนี้ โลโก้เรามันเปลี่ยนใหม่นะมันข้างนอกสี่เหลี่ยมข้างในกลมข้างนอกซื่อบือ้อข้างในจริ้งกาะมันถูกสอนให้ต้องเก่งต้องเอาเปรียบคนอื่นนี่คือความรู้ยุคปัจจุบันมันคิดว่ามันเก่งแต่มันซื่อบือ้อซื่อบือ้อใช่ไหม ข้างนอกเราต้องกริ่งรู้จักกริ้งไปตามเหตุและปัจจัยเจออะไรไม่ใช่ไปซื่อบื้อชนบันแล้วก็รู้จักหลบรู้จักหลีกแต่ข้างในต้องตั้งมัน่นต้องซื่อสัตยนะ์แบบบางทีแก้วชิฟเขาก็ดูเขาดูอะไรล่ะดูซีรีส์ของของจือดูซีรีส์พระเจ้าเองเนี่ยเขาบอกเหมือนพ่อครูเลย แกใช้ก็บอกยึดมั่นถือมั่นในอุดมการณ์เพราะคูไม่ใช่เพราะคูไม่เคยยึดมั่นถือมั่นเลยแต่พรอครูตั้งมั่นยืนหยัดไม่ใช่ยึดมั่นก็เรายืนหยัดกับความที่มันควรจะเป็นไงใครเปลี่ยนพระครูก็ไม่ได้ไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นกับอุดมการณ์ตัวเองนะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันซื่อบื้อ แต่พระครูใช้ว่ายืนหยัดขงจือเขายืนหยัดในอุดมการณ์เขาเรื่องคุณธรรมเขาตายดีกว่าที่ใช้เขาทำไม่ผิดคุณธรรมแต่สุดท้ายชีวิตเขาเขาทำไม่สำเร็จแต่ตอนนี้คงจือตายจากอไปสองพันกว่าปีทั่วโลกยังไม่พูดถึงเรื่องอุดมการณ์ตรงนี้มันเป็นของจริงแต่กิเลสมันไม่ยอมให้ทำแต่คงจือตอนนั้นเขายืนเขาาก็ยืนหยัดไม่ใช่เขายึดมั่นถือมันแต่เขายืนหยัดเขายอมตายเพื่อจะ ยืนดัดในอุดมการของเขานะอย่างคนเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยเขาเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเขาไม่บ้าที่จะไปยึดมั่นถือมันยึดมั่นถือมั่นมันเป็นตัวหลงนะแต่เขายืนหยัดใครเปลี่ยนเขาก็ไม่ได้ไม่รู้ชีวิตอยู่ไปทาไมเหมือนเราเราเร า, เราไม่ซื่อสัตย์ถ้าเป็นในทางโลกอุดมการนั่นแหละเราทอรยศเป็นกระบฏต่ออุดมการเนี่ยเขาทาไม่ได้แต่ไม่ใช่เขาหลง หรือเขายึดมั่นถือมั่นเขาแค่ยืนหยัดใครเปลี่ยนเขาก็ไม่ได้นะต้องใช้ภาษาให้มันถูกนะยึดมั่นถือมั่นมันเป็นอัตตามันเป็นตัวตนเพราะเราหลงในอุดมการเราแต่ถ้าธรรมะจริงๆมันไม่ใช่อุดมการนะธรรมะไม่มีธรรมะไม่มีธรรม ะ, มมรรมะนั่นแหละธรรมะมันไม่มีอะไร ไม่มีอะไรตายตัวมันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยแต่ปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วมันจะมีธรรมะได้อย่างไรปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะเพราะมันมีตายตัวมีถูกมีผิดมีดีมีชั่วมีของเธอของฉันมีศาสนาฉันศาสนาเธอมันจึงไม่ใช่ธรรมะมันเป็นแค่ศาสนาจริงๆไม่ใช่อย่างนี้นะเดี๋ยวเราดูซีรีส์พรุทธเจ้าวันที่พระองค์ตัดสรู้แล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าเราคือพุทธ เราคือศาสนาแต่ตอนนี้ศาสนามันคืออะไรคือองค์กรมีผู้บริหารมีอะไรอะไรอันนี้มันจึงไม่ใช่ธรรมะถ้าจิตพระเจ้าตอนนั้นเน่ยเป็นเป็นศาสนาจริงๆมันเป็นตัวปัญญามันไม่มีเงื่อนไขแต่ตอนนี้เราตั้งเป็นศาสนาคิดศาสน า, สนาอิสลามศาสนาพุทธแล้วก็พุทธเองแยกเป็นนิกาย น, น, นั้นนิกายนี้อันนี้มันไม่ใช่ศาสนาตัวจริงมันเป็น องค์กรซึ่งเรียกว่าศาสนามันหยาบเกินไปแล้วแต่มันไม่ใช่เสียหายอครเหมือนเรามีโรงเรียนนั่นแหละแล้วก็ดูแลมันแต่เราไม่หลงโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนฉันเห็นไหมแต่ตอนนี้มันหลงไหมมันหลงสิโรงเรียนฉันดีกว่าโรงเรียนเธอกูเก่งกว่ามึงมึงเก่งกว่ากูตอนนี้มันไม่ใช่ธรรมะกันหมดแล้วเห็นไหมมันไม่ใช่ศาสนาด้วย ศาสนาสอนไม่ให้เราหลงนะเมื่อเราหลงอศาสนาเองนี่มันจะศาสนาได้ยังไงเราเป็นตัวหลงมันเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ศาสนาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิกะประกาศเลยว่าเราคือพุทธะเราคือศาสนาพ่อครูถวายชีวิตถูกแล้วพว่อคูถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าแต่พ่กคูไม่ถวายชีวิตให้ไอศาสนาที่มันเป็นแบบนี้ ทุกวันนี้ไม่ใช่ศาสนาจริงๆมันติดรูปแบบนะมีถูกมีผิดมีดีมีชั่วมันจึงไม่ใช่ศาสนาจริงๆนะขอให้เรามีโอกาสเราตั้งมั่นปฏิบัติสุดท้ายคำตอบเราอยู่ข้างในแต่เมื่อมันยังไม่ถึงแล้วเนี่ยต้องศรัทธาต้องมีวิริยะต้องมีขันติสนมากขันแตกก่อน พอเจอไอ้ลูกตัวโตหน่อยกูไม่เอาแล้วกูไปแล้วนน่ะไม่ใช่ขันตินี่คือขันแตกก็ต้องอดทนมุ่งมัน่นมีริยะคำว่าศรัทธาเนี่ยแน่นอนบางคนก็ฟังยูทูปเพราะกูฟังฟังฟั ง, ฟ, งฟังธรรมะก็ศรัทธาไงนะช่วงนี้แปลกนะมันมีหลายแนวมานี่นะเออวันก่อนพวกพุกกายงานว่ามีพระคุณเจ้าสองลูกก็โยมมาที่เรกว่าจะตามมาดูมานอนคืนหนึ่งนะ พอมาดูอะไรล่ะฉายอะไรดูหรือมาดูแล้วเนี่ยหายตัวไปเลย <c oughs> เขาศรัทธาระดับหนึ่งเขาฟังธรรมเฉยเฉยเนี่ยธรรมะเขาขัวกเูเปล่งออกไปถ้าไม่มีทิฏฐิมานะแล้วมันมีคําตอบอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่ทีนี้พอมาเจอปุ๊บเนี่ยเขาไม่มีพื้นฐานไงพื้นฐานก็คือว่าการปฏิบัติธรรมต้องเป็นแบบแนัน้นแบบนี้ต้องนั่งเงียบเด้งๆพอมาเจอเนี่ยเต้นแรงเต้นกาปุ๊บเนี่ย เพ่เลยทีนี้พวกกปุม่เป็นอไรองไงก็เป็นเรื่องนี้แหละคือน า, นานาจิตตังละไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดถ้ายังไม่พร้อมแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาที่นี่นะอันนี้พูดสนุกคนที่มุ่งงั่นปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าไม่มุ่งมั่นไม่ตั้งมั่นจริงๆคำว่าตั้งมั่นก็คือโทโลลี่นะถ้ายังเผื่อขาดเผือเ่อเหลืออยู่เนี่ยมันจะเสียเวลาชีวิตอย่าไปคิดแบบทางโลก เราจะถูกมาในใจเราหลอกเองนะก็อันนี้เกินเกินเฉยๆนะชั่วโมงหนึ่งแนละ้วเนาะตอนนี้เอาใช้เวลาเล่ น, ลนด่วนเดี๋ยวจะค้างคําถามก็หน่อยหนึ่งคิดว่าเกินเกินเฉยๆเนาะใช้เวลาทั้งชั่วโมงหนึ่งโอเคอันนี้ใช้เวลาน้อยๆคําถามที่หนึ่งนะในขั้ขณะปฏิบัติจิตถามขึ้นมาว่ารูปคืออะไรนามคืออะไร มีแต่รูปแล้วกระทาได้อย่างไรขณะที่ยืนนานาจิตตังอยู่อริยบททางกายเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปตามภพชาติต่างๆจิตก็บอกว่านี่คือรูปรูปที่จับต้องไม่ได้ก็คือรูปผัสสะที่มากระทบก็คือรูปแยกรูปแยกนามสี่จึงสงสัยว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรครับก็เมื่อกี้มันบอกแล้วไงนี่คือรูปนะ ยังมาถามอีกอยู่ก็บอกแล้วนี่คือรูปรูปที่จับต้องไม่ได้ก็คือรูปมันก็บอกแล้วไงแล้วยังมาถามว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรเสียงที่เขาด่าเรานี่คือรูปรูปไม่ใช่มองเห็นอย่างเดียวนะนะเสียงที่ด่าเราคือรูปตัวได้ยินเสียงนั่นคือนามมันได้ยินปุ๊บมันก็ดับมันเกิดมันก็ดับแต่ตอนนี้เราไม่ดับไงมันด่าเราปุ๊บรูปเกิดปุ๊บนะ เราไม่เห็นตนมันดับเวทนาเกิดทันทีเลยนะไม่พอใจความรู้สึกไม่พอใจมันก็บันทึกสัญญาใหม่ว่ามันด่าเราไปสปากไายสัญญาเก่าว่าฉันไม่ชอบถูกด่าไฟช็อตสังขารเกิดปรุงแต่งแล้วว่าเธอด่าฉันฉันเสียเปรียบไม่ได้ฉันต้องด่าเธอคืนภายในหนึ่งวินาทีนะขันห้าปรุงแล้ววิญญาณนักสู้เกิดขึ้นทันทีกลัวเสียเปียบดามไปคืน นี่คือขันห้าปรุงแล้วกรรมเกิดขึ้นแล้วเพราะเราไม่รู้เท่าทันรูปนามเราเห็นรูปสวยนี่ก็รูปนะเราเห็นไม่ใช่เราเห็นบิวสวยๆไม่ใช่คนนะเออเห็นสวยปุ๊บแล้วมีความรู้สึกเวทนาเนี่ยนั่นและมันก็เหมือนกันอันนั้นก็คือรูปไอ้ตัวตัวที่เราเห็นภาพเร็ น, นั้นอ่ะมันเป็นรูป แต่ตัวรู้รูปนี่คือนามปกติเห็นแล้วมันก็เกิดมันก็ดับนิสักแต่ว่าเห็นแต่เราไม่นิสักแต่ว่าเห็นไงเราก็พัฒนาสู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามมาเมื่อขันห้ามันปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนปฏิชนสมุทรบาทขับเคลื่อนวัตฏสงสารนะก็ไม่มีอะไรแม้แต่หนึ่งอย่างในจักรวาลนี้ไม่ไม่ใช่รูปนาม รวมกันหมดหรืออยู่แค่รูปนามสองอย่างคุณจะฝึกวิธีไหนก็ช่างวิธีใดก็ช่างก็คือรูปนามนั่นแหละนะจบอยู่ที่รูปนามนะการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางเป็นอย่างไรที่พระครูเคยบอกว่าทางสายกลางไม่ใช่การอยู่ตรงกลางระหว่างขาวกับดำสว่างกับมืดมันเป็นอย่างไรคะ ถ้าเราอยู่ตรงกลางคล้ายๆว่าเราก็ปฏิเสธขาวไม่ดีดาก็ไม่ดีฉันยึดตรงกลางเราก็ไม่เป็นกลางแล้วนะแตว่าในหูเนี่ยในหูเนี่ยมิสเตอร์หูเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราในใจก็เป็นเพื่อนเรามิสเตอร์ใจก็เป็นเพื่อนเราเราคือจิตจิตเราเกาะ อ, อยู่ที่ใจมาตลอดชีวิตนะวันใดวันหนึ่งเราจะปล ด, ป ล, ดปล่อยเขาเราก็ใช้อุบาย ้มาฟังเสียงสินะเพราะเพราะจิตมันก็วิ่งมารับรู้เสียงที่หูในหูบอกอยู่กับฉันเพลงเพราะๆพราะนะเราวางตัวเป็นกลางเราไม่เข้าข้างในหูทีนี้ไอ้ใจมันก็ดึงกลับมาคืนเธออยู่กับฉันตลอดชีวิตนี่สุขใจสุขใจเราวางตัวเป็นกลางเพราะเพื่อนสองคนมันทะเลาะ ก, กันเราไม่เข้าข้างในหูกับในใจนะเราก็เตือนอมึงอย่าทะเลาะ ก, กัน เราก็ไม่เข้าข้างในใจแล้วก็วิ่งมาเยี่ยมในหูอีกมันดึงไปดึงมาเนี่ยเราก็เกิดอิสระเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นนะเหมือนเราหมุนลูกข่างเราต้องใช้สองนิ้วหมุนปุ๊บมันก็หมุนแรงเหวี่ยงนี่ทําลายสนามแม่เหล็กเห็นไเฮลิคอปเตอร์เราหมุนเบาๆนี่มันห่อไม่ได้เมื่อเราหมุนเร็วๆปุ๊บเนี่ยมันสามารถเอาก้อนเหล็กเนี่เป็นพันกิโลเนี่ยขึ้นไปบนอากาศได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่แหละคือมัชชิมาปฏิปทา เราทำจิตให้เป็นกลางเราไม่ได้ปฏิเสธในหูเราก็ลักในหูเราก็ลักในใจแต่เราวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างในหูในใจแม้กระทั่งขาวเราไม่ปฏิเสธดำก็ไม่ปฏิเสธบางคนเขาบอกว่าสื่อสีขาวนะนะเขาก็ติดว่าขาวต้องดีเท่านั้นไอ้ดำมันไม่ดีอย่างนี้นะถ้าเราไปติดฝ่ายไหนก็ช่างก็คือว่าเราไม่วางตัวเป็นกลางแต่ไม่ใช่ว่า เราเดินอยู่กลางๆเฉยๆนะปฏิเสธขาวปฏิเสธดําปฏิ ส, สายขวาไม่เรายอมรับทั้งหมดแต่เราไม่หลงทั้งหมดนะนี่คือทีนี้กลางของเราเนี่ยกลางของเราเนี่ยเราต้องมีสติมีปัญญารู้ว่าแค่ไหนมันพอดีสําหรับเราแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราแยกไม่ได้หรอกรกิเลสมันจะดึงให้เราไปสุดตรงกิเลสตัวขี้เกียจมันก็อ้างเหตุผลให้มึงไม่ต้องทําหรอก ไม่มีใครเห็นหรอกมึงนอนเถอะเห็นไหมแล้วก็เข้าข้างไอ้ขี้เกียจเห็นไหมแต่พอวันไหนนไอ้กิเลสตัวขยันนะมันอยากสร้างบา ร, รมีเยอะๆบอกมึงทำเลยมึงไม่เหนื่อยหรอกมึงทำทำไปเยอะๆมึงจะได้บุญเยอะๆเห็นไหมแล้วก็เยอะเกินไปเดี๋ยวก็เด้งเพราะจิตเราไม่เป็นกลางเห็นไหมถ้าเราเป็นกลางปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ ไ, ดไปดายขี้เกียจไม่ต้องไปดายขยันเราก็ทําแค่พอดีของเรา นะไม่ใช่ไปแยกกันว่าไม่ซ้ายก็ขวากูอยู่ตรงกลางนี่นะอันนี้แสดงว่าเราไม่เป็นกลางนะคือเราปฏิเสธซ้ายปฏิเสธขวานะถ้าเราเป็นกลางได้เราไม่ต้องทะเลาะ ก, กับใครแต่ตอนนี้บ้านเมืองเราเป็นยังไงนะมันเล่นกีฬาสียังไม่เลิกเลยนะชอบคนละสีไงมันไม่เป็นกลางนะถ้าเข้าไปในจิตได้แล้วแล้วจะนิพพานได้อย่างไรคะไอ้ น, นี้คําถามบักใหญ่เลยเนาะ ถ้าเข้าไปในจิตได้แล้วแล้วจะนิพพานได้อย่างไรโอเคนะก็ทำไมต้องเข้าไปในจิตนะมีคนเขาสอนนะอย่าหาเรื่องไปยุ่งกับมันอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันนะมีสติรู้เท่าทันสิ่งมากระทบอันนี้คือสติมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่มันก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ถ้ารู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันกระทบปุ๊บจบเราก็ไม่ทุกเวลานั้นเวลานั้นเราไทำทำให้เราไม่ทุกเพราะว่าขันห้ามันปรุงไม่ได้นะแต่ยังไม่พ้นทุกนะเพราเราเป็นหนี้ธนาคารอยู่เนี่ยเราบอกว่าให้หนี้สินก็สมมุติทุกอย่างก็สมมุติหมดนะฉันไม่ต้องจ่ายเธอก็ไม่เป็นไรถามว่าธนาคารมันยอมไหมมันยอมไหม อันนั้นที่ปัศนึกนึกเอาเองนะก็เงินสมมติผู้ก็บอกสมมติทุกอย่างสมมุติหมดเนีเออกูก็ไม่ต้องจ่ายถามว่านี่เวีย น, นี่กรรมมันยอมไหมและนี่แหละทําไมพระเจ้าบอกต้องทําดีละชั่วไม่พอทําดีละชั่วยังไม่พอต้องขัดเกลาจิตให้ผองใสคาตอบแรกก็คือว่าเราไปเข้าจิตก็คือเข้าไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเหมือนบ้านหลังนี้ชื่อว่าจิตก็ไปนั่งดูมานเจริญสติก็เห็นอารมณ์หยาบหยาเป็นแค่เวทนาข้างนอก ไปส่องหน้าต่างดูก็ยังเปื้อนอยู่เหมือนเก่านี่ยแหละมึงไปดูมันก็เปื่อนเหมือนเก่าเนาะนั่นแหะเขาเข้าไปขัดเก่าจิตให้ผ่องใสในขณะที่ขัดเก่าปุ๊บนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้กับวิบากกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วนั่นคือกล่องปัญญาเข้าไปในเว็บไซต์เราเอาแล้วเขาไปในจิตแล้วมันมันจะนิพานได้อย่างไรก็นิพานคุณเกิดปัญญาเรียนรู้กับมั น, นเมื่อจิตมันเกิดปัญญาแล้วเนี่ยมันก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่น กับสิ่งที่เรายึดกับขันห้านี้น่ะนั่นน่ยมันก็พ้นทุกข์มันก็คือนิพพานนะผู้เจ้าพูดอะไรไม่ได้ผิดทําดีละชั่วไม่พอต้องขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเมื่อเขาไม่เข้าไปในจิตแล้วมันจะขัดเกลาได้หรือเปล่าล่ะเมื่อจะไปเพิ่มสติเพิ่มสมาธิล่ะมันจะยังไงล่ะนี่แหละอันนี้คําตอบก็คือว่ามันนิพพานได้อย่างไรได้เมื่อเราสาสางคดีความเราหมดเมืม่อกี้เราก็สวดมนต์นะเราทําลายเรือนเราหมดแล้ว ยอดเดือนเราก็ทำลายมันแล้วเราทำลายอัตราเราไงมันอยู่ข้างในไงเราเข้าไปทำลายมันไงเมื่อเราทำลายมันแล้วเนี่ยจิตก็มีสละภาพนั่นแหละคืนนิพพานค ำ, คำตอบสุดท้ายนะคำถามสุดท้าย <c oughs> อันนี้มายุ่งกับพระครูอยู่ละทำไมพระครูไม่บวช <c oughs> พ่ครูเคยทํากล้วยบวชชีนะบวชมันบวชเผือกอยู่นะถามก่อนว่าบวชทําไมพราครูบวชชีบวชเนรบวชพระบวชเยอะเลยเขาไม่เคยเห็นว่าพ่อคูบวชมาตั้งหลายชาติล่ะต้องการบอกบวชทําไมก่อนที่เราเลือกอาชีพนักบวชเนี่ยมันจะได้มีความมุ่งมั่นไม่ชีดีมหลายปีก่อนมาปฏิบัติ แล้วสุดท้ายก็ปรึกษาพรอครูว่าแกจะบวช ด, ดีหรือไม่ดีพรอครูเนี่ยดูอารมณ์ตัวเองพวว่ะครูไม่เคยมีเชียร์ใครว่าดีไม่ดีทุกคนต้องดูความเหมาะสมของตัวเองทีนี้ไม่ชีดีมก็ตัดสินใจบวชเพราะแกบอกว่าแกอยู่ในวัยที่ยังมีของคู่อยู่เดี๋ยวจะคุมตัวเองไม่ได้อันนั้นบวชมีประโยชน์พรผ้าขาวห่อไว้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่บวชปุ๊บเราก็เป็นคนธรรมดา ถ้าเราทําตัวแปลกๆเราไม่ทํางานเหมือนคนธรรมดาเขาจะว่าเราแต่ถ้าเราบวชปุ๊บเราก็ทําเป็นนักบวชเนี่ยไม่มีใครกล้าว่าเราแล้วก็มุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรอันนี้คืออานิสงส์ของการบวชเพื่อบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เราพ้นทุกข์เพื่อรับอิสรภาพแต่ทีนี้ถ้าคนเขาพ้นทุกข์แล้วเนี่ยเขาทังเจ้าชายจิตตถานะพระองค์กลับกันพระองค์พ้นทุกข์แล้วเนี่ยพระองค์บวชเนื่องจากพระองค์ต้องเป็นพระพุทธเจ้า ทำหน้าที่ตรงนั้นนะแต่ทีนี้เราบวชเพื่อเรามุ่งจะมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรศึกษาธรรมเพื่อพ้นทุกข์แต่ถ้าจิตเราพ้นทุกข์แล้วเนี่ยบวชก็ได้ก็ไม่บวชก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพ่อครูเลือกบวชเนี่ยพ่อครูจะขับรถพาเด็กๆเนี่ยเขาไปเรียนรู้ข้างนอกได้ไหมพ่อครูจะสร้างศูนย์แบบนี้ขึ้นมาได้หรือเปล่านะอย่าไปว่าบวช ด, ดีหรือบวชไม่ดี นะทุกคนต้องดูความเหมาะสมของตัวเองนะจริตตัวเองสร้างมามันก็ไม่เหมือนกันหน้าที่เราเราจะทำก็ไม่เหมือนกันก็คนที่บวชไปทำหน้าที่ก็มากมายนะจิตดวงนี้ปล่อยมันอย่างนี้ดูดีไหมทุกคนจะได้มั่นใจว่าเฮ้ไม่บวชก็ปฏิบัติทำได้ก็ในซีรีส์พรุทธเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเราดูไปลึกๆจะมีตอนหนึ่งมีเศรษฐีสองคน ทุกข์กับลูกชายลูกชายเนี่เที่ยวเตะจนมันจะฆ่าตัวตายล่ะกําลังจะโดดหน้าผาผู้เจ้าก็จับดึงไว้นะ่ะก็ไปด่าผู้เจ้าท่านเป็นใครมายุ่งกับฉันทําไมนะด่าผู้เจ้าเทศไม่สองครั้งก็บวชเลยเศรษฐีทั้งผัวเมียทุกข์มากนะก็ไปนั่งคุยกับพผู้เจ้าคุยไปคุยมาเขาก็ภาวนาตัวอยากเป็นสิทธิ์อยากจะบวชพระพุทธองค์บอกว่าออสิทธิ์ของพระพุทธองค์เนี่ยบวชก็ได้ไม่บวชก็ไม่เป็นไร นะทุกคนทำหน้าที่มันเหมาะสมกับตัวเองมันเป็นเปลี่ยนได้นะอันนี้อย่าไปติดรูปแบบถ้าสมัยก่อนพุทธการซึ่งยังไม่มีศาสนาไม่มีโคลทัญยะไม่มีพระสง์องค์แรกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นพระทีปังกรกัส ป, ปะ <c oughs> ที่เรียงลำดับในสายแฝ่พุทธลาพุเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ยี่สบก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีนักบวชท่านก็อยู่ของท่านได้ แต่เมื่อไม่เป็นาศาสนาแล้วเนี่ยเราก็ใช้อุบายว่าเออการบวชเนี่ยเพื่อจะแยกแยะชัดเจนว่าเขาเป็นเพศนักบวชนะเขามีหน้าที่ทําหน้าที่เขาเนี่ยพวกเราอย่าไปยุ่งกับเขามันก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าไปหลงติดอุบายเมื่อไหรไ่เดองอันนี้โจทย์คาถามนี้พวกคูได้ยินมามากแล้วล่ะเพื่อนพวกคูพูดเองแน่จริงทําไมไม่บวชล่ะการบวชพิสูจน์ว่าเราแน่ใช่ไหมถ้าแน่อย่าศึกสิทําไมศึกเยอะแยะเลย มันไม่ใช่เรื่องเปรียบเทียบกันอย่างนั้นนะเอาเป็นว่าเราข้ามผลความเคยชินได้ไหมมาลองมาดูอะไรที่มันมันมันที่เราไม่เคยชินได้ไหมย <ME> เราจะทำลายอัตราเราได้นะเมื่อมันไม่ทุกข์แล้วเนี่ยร่างกายมันจะแต่งตัวยังไงก็ช่างมันะเป็นแค่สมมุตินั่นแหละแต่พ่อครูไม่เคยทำลายสมมุติ โดยเฉพาะองค์กรศาสนาเรามันเหมือนต้นไม้เนี่ยต้องมีทั้งเปลือกกับพีต้องมีทั้งแก่นด้วยจเจ้าแก่นอย่างเดียวไม่มีเปลือกกับพีก็ไม่ได้จเจ้าเปลือกกับพีอย่างเดียวไม่มีแก่นก็ไม่ได้เดี๋ยว ม, มันก็ล้มแต่ก็เคยพูดเล่นๆว่าคำว่าเล่นๆก็ถือว่าเป็นไปไม่ได้นะถ้าผู้ริเจ้ากลับชาติมาเกิดพระองค์จะจําศาสนาพระองค์ไม่ได้เพราะไอ้เปลือกกับพีนี้ก็ถูกระบายสีไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้นะ มันถูกลบายสีไปหมดแล้วนะและตอนนั้นสมัยพุทธการเองเนี่ยพอบรรู้ธรรมปุ๊บเนี่ยท่านเหล่านั้นเลือกบวชไม่ใช่ว่าอุ้ยถ้าท่านไม่บวชแล้วท่านจะตายท่านจะร้อนนะพระอาหารหันต์ไม่กลัวตายไม่กลัวร้อนอยู่แล้วล่ะนะท่านป้องกันไม่ให้โยมสร้างกรรมกับท่านสมัยก่อนในสีเหลืองเหลืองนี่ขังจริงๆแต่ทุกวันนี้ขังไหมมันขังหรือเปล่า สีเลืองเดืองเองก็ทะเลาะ ก, กันเองโยมก็ด่าพระมันไม่มันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันเป็นมันเลอะเรือนไปหมดแล้วละ่ะนะพ่อครูอยู่อย่างนี้เนี่ยวันไหนคิดจะไปกินข้าวกับเด็กก็ไปลูกไปลูกไปไ ป, ไปกินข้าวกับพ่อครูวันไหนจะทำไรก็ทำอิสละมากเห็นไหมแต่ถ้าเราไปบวชปุ๊บเนี่ยสองอยี่สิบเจ็ดละแต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะ ตอนนั้นเน่ยเทวาเนั่นแหละมาจากอเมริกาใหม่ๆเพราะกูก็ส่งให้ไปดูวัดป่านานาชาติไปคุยกับพระพหลังด้วยกันเขาไปเห็นแล้วเขาบอกไม่เขาไม่ชอบเขามาสแสวงหาความอิสระความพ้นทุกนี้เขาเห็นแล้วเขาไปปุกก็ไม่อิสระเขาทุกข์ก่อนเพราะกลัวอย่าเข้าใจผิดนะบางทีเราคุมตัวเองไม่ได้เราก็ต้องให้มีสิ่งแวดล้อมช่วยเราคุมเพื่ออย่างน้นอยๆป้องกันไม่ให้เราไปสร้างกรรมใหม่ มันช่วยได้นะอย่าไปว่ามันไม่ดีแต่พ่อคูก็เตือนเขาเพราะเราคุมตัวเองไม่ได้ไงแต่ถ้าจิตเราอิสระแล้วเนี่ยอย่าว่าจะสองวยิบเจ็ดเป็นพันพันข้อเราก็ไม่กลัวเพราะว่าจิตมันไม่ทําชั่วแน่นอนไม่ต้องระวังเลยนะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเรากําลังเดินทางอยู่อินทรีย์พร ะ, ะเราหมดเรายังไม่พอไงนะเราก็ต้องอาศัยเพศนักบวชเนี่ย เป็นเกาะป้องกันแล้วก็เป็นตัวเตือนสติเรานะมันมีมันช่วยได้เยอะแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องทำแบบนั้นนะเอาเป็นว่าในเวลานั้นใครเหมาะอย่างไรทำไปเถอะแบบไหนมันก็บรรลุทำได้หมดเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นนักบวชแล้วเนี่ยโอกาสเรามีมากกว่าเพราะเวลาเราหยิบสีชั่วโมงเนี่ยมุ่งเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียว แต่คนเขาอยู่ทางโลกเขาก็ต้องมีโน่นมีนี่มีครอบครัวมีอะไรเนี่ยเวลาที่เขาจะมุ่งมั่นมันก็น้อยการปฏิบัติมันก็ยากกว่าแต่สำหรับพ่อครูไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็ทาให้ดูแล้วยี่สิหกปีไม่มีปัญห า, หญหานะมีครอบครัวก็เหมือนไม่มีครอบครัวมันมันก็เป็นสมมติทั้งนั้นแหละนะแล้วก็พ่อครูทำกับลูกพก่อครูยังไงพ่อครูทั้งเด็กทุกคนเป็นอย่างนั้นดีไปดีมากกว่าด้วย พ่อครูฝึกให้เขาเข้มแข็งฝึกให้เขาเพึ่งตนเองนะพ่อครูจากเขาไปเมื่อไหร่ก็ได้เขาก็ไม่ทุกข์ไงทีนี้พ่อแม่บางคนรักลูกมากรักรักั ก, กอะไรกันนักหนาเนี่ยนะนะเออกลัวลูกมันจะแข็งแรงนะมาฝากเงินกับครู ว, ว่าซื้อขนมให้มันกินหน่อยหนึ่งนะลูกไม่ฉีนกเหมือนกันนะวาดรายงานว่าพี่แพ็คดีขึ้นโดยเฉพาะร่างกายแค่นนะ ใช่ไหมตอนนี้กินกินกินกินน่ะไอ้พวกขนมก๊อบแกบพวกอะไรอะไรเนี่ยตัวแกเน่าหมดไงใช่ไหมแล้วเด็กสี่คนที่พ่อแม่ฝากกินไว้กินเนี่ยยังเน่าอยู่นะรักลูกมากใช่ไหมรักลูกให้ถูกทางมันเกี่ยวกับสังขารร่างกายเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องกิเลสอย่าให้คนเหนือกว่าคนอื่นนะให้มนุษย์จักตแบ่งปันให้ แต่ไม่ใช่ว่าเออให้ฉันมีเงินจะเลี้ยงพิเศษพิเศษบ่อยๆก็ไม่อนุญาตนะจะพิเศษไปทําไมให้มันติดดินต่อไว้มันจะเข้มแข็งนะคือพกคูณบอกเด็กมันมีปัญหาหรอกตัวปัญหาคือผู้ใหญ่รนะักอะไรกันนักหนารนะักให้มันถูกทางนะรักลูกต้องให้มันเข้มแข็งให้มันมีวินัย ให้มีเมตตานะไม่ใช่ไปส่งเสริมให้เขาเอาเปรียบคนอื่นแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะอันนี้ทงบคถ้าไม่เข้าใจแนวทางที่นี่อย่ามาที่นี่เราก็ทุกปฏิบัติดีๆอยู่พอมีลูกปุ๊บเ่เริ่มเป๋แล้วไอ้ที่ปฏิบัติมาทั้งหมดเปรนี่คือคำว่ารักไงมันยิ่งใหญ่มากนะรักแบบหลงนะรักลูกไม่เป็น รักลูกต้องให้ถูกทางต้องทํำยังไงก็ได้ให้เขาเข้มแข็งให้เขามีพรมวิหารแล้วต่อไปชีวิตข้างหน้าเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาเขาเจออุปสรรคอะไรเขาจะแก้ได้นะเนี่ยให้ดูหนังพระพุทธเจ้าไปเรื่อยเราจะอายพระองค์เราจะอายพระพุทธเจ้านะพระองค์แค่ไหนล่ะพระองค์แค่ไหนล่ะทิ้งหมด แล้วเอากิ่งทรมานสังขารไม่กินไม่อะไรอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวพระครูเกิดให้ฟังหน่อยนึงจะได้ติดตามแนละสนุกนะนะบางอย่างที่เราได้ยินมากับภาพยนตร์ที่ทาออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ข้อมูลเราอาจจะได้ขึ้นยิงข้อมูลไม่ไม่เหมือนกันนะตอนเจ้าชายจิษิ t มุ่งมั่นจเจริญทุกขละกิริยานั่นไม่ขบไม่ฉันอยู่ในถ้ำนะจนโซมหมดเลย มีแต่นานๆเดินออกไปดื่มน้ำเนี่ยดื่มน้ำนิดหนึ่งวันนั้นน่ะสลบลงไปเลยไม่มีแรงนางสุชาดาเดินมาเห็นนางสุธาราเฝ้าอยู่หน้าถ้ำตลอดเพอปุ๊บจะ อ, อุปทานทิ้แล้วก็ฉันผลไม้สุดท้ายไม่รับอะไรเลยนะออกมาก็เป็นลมๆหน่อยนางสุชาดาก็ไปเอาน้ำมาเทให้เนี่ยก็ฟื้น นางก็ถามตรงๆว่าท่านทนอย่างนี้เพื่ออะไรนะเจ้าชายยถาบอกว่าท่านกำลังสแสวงหาคําตอบนะในการล้างบาป เ, ออเพื่อคําตอบเพื่อจะช่วยนมนุษยชาตินะนางสุชาดาเป็นคนบ้านอกคนคนหนึ่งเนะี่ยบอกว่าท่านจะสแสวงหาความจริงโดยในสังขารแบบนี้เหรอคํานี้เนี่ยเจ้าชยายตื่นขึ้นมาเลย บอกนางสุชาดาเนี่ยเป็นอาจารย์คนแรกที่เตือนให้รู้เรื่องทางสายกลางนะไม่ใช่เรื่องพินน ะ, นะส่วนเรื่องพินนั้นเป็นนิมิตที่ว่าพราะองค์หลังจากที่พระองค์บรรลุแล้วเนี่ยมีนิมิตเทวดามานิมิตให้ฟังว่าเออเนี่ยถ้าพินเนี่ยมันตึงเกินไปมันเป็แบบพระองค์ถึงมาแสดงว่าถ้ามันตึงเกินไปก็ไม่เพอหนึ่งไว้แต่จุดเริ่มต้นคือนางสุชาดาน่ยเตือนสติ ท่านจะมุ่งนิพานหาสแสวงหาคำตอบโดยที่สังขารเป็นอย่างนี้เหรอคำนี้เจ้าชัยตะตื่นขึ้นมานะเอาเป็นว่าส่วนพระองค์ตัดทีหลังว่าเอายกตัวอย่างเรื่องพินนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆแต่จุดเริ่มต้นคือนางสุชาดาเนี่ยเป็นอาจารย์คนแรกที่เตือนเรื่องทางสายกลางโดยที่นางเองก็ไม่รู้ ก, ก็พูดตามสัญชาตญาณเน่ คุณจะแสวงหาอะไรก็ช่างโดยอร่างกายโทรมแบบนี้เหรอมันจะไปได้เหรอเนเจ้าชายิุะาก็ตื่นขึ้นมานั่นละ่ะคือความพอดีโอเคนะก็ใช้เวลาพอสมควรสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระสีรัตนตาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืน บรรลุมรผลนิพพานโดยไวัยเทิน